6. จิตเรามีเปลือกคืออาสวะห่อหุ้มเอาไว้วงเล็บเปิด24มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที23วงเล็บปิดสังเกตไหมจิตเราถูกอะไรห่อหุ้มเอาไว้จิตเรามีเปลือกดูออกไหมจิตเหมือนอยู่ในแคปซูลแคปซูลที่น่ารำคาญจิตถูกขังอยู่ในที่แคบๆที่น่าอึดอัดรู้สึกไหม เนี่ยภาวนานะจนกระทั่งเกิดอริยมรรคครั้งที่สี่แล้วสิ่งที่ห่อหุ้มจิตจะแตกออกมาเหมือนกับหลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าเมื่อจิตมันพัฒนาเต็มที่แล้วนะมันเหมือนลูกไก่ที่โตเต็มที่แล้วเจาะทําลายเปลือกออกมาลูกไก่หลุดออกจากเปลือกไข่ชั้นใดจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะฉันนั้นแหละฉะนั้นพวกเราวันนี้เราภาวนาจนเห็นอาสวะเนี่ยเราเห็นเปลื อ, อ, อกมัน ถึงวันหนึ่งจะหลุดออกมาอสาาวะเ น, นี่ยย้อมจิตอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมอสาาวะเ น, นี่ยเป็นทางให้กิเลสอนุสัยไหลซึมซ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจเมื่ออสวะขาดลงไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรซึมซ่านเข้าถึงจิตถึงใจได้อีกแล้วอาสวะคคล้ายๆรกที่ห่อหุ้มเด็กเอาไว้เป็นทางผ่านเข้ามาของอาหารของสิ่งต่างๆเมื่อมันขาดออกจากกันแล้วนะเด็กกับรกขาดออกจากกันแล้วมันไม่ซึมซ่านเข้ามาทางผิวกายแล้วค่อยเรียนไป ค่อยฝึกไปธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านบอกว่าสอนใบไม้หนึ่งกำมือธรรมะจริงๆเหมือนใบไม้ในป่าหลวงพ่อลองเล่าใบไม้ในป่าให้ฟังบ้างนิดหน่อยนะสิ่งที่เราได้นะไม่ใช่ใบไม้ทั้งป่าหรอกอันนี้เป็นของเล่นของแถมความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันของผู้ปฏิบัตินะ เมื่อทำเต็มที่แล้วก็คือความพ้นทุกข์พ้นกิเลสนี่เท่าเทียมกันถึงความบริสุทธิ์เท่าๆกันกระทั่งพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายที่เป็นสาวกที่ไม่ได้มีของเล่นของแถมเจอกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันเท่าเทียมกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันพระพุทธเจ้านะปัญญาท่านมากท่านรู้จักใบไม้ทั้งป่าพระสาวกก็รู้น้อยลงน้อยลงนะส่วนสาวกธรรมดาเนี่ย รู้ใบไม้ในกามือแต่เท่านั้นพอแล้วอย่าโลภมากนะใบไม้กามือเดียวเนี่ยเรียนกันหลายชาติเรียนกันทั้งชีวิตเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะ